หรือกดท่วมือตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับบีบคั้นกดท่วมนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วต่างกันจนไม่มีสมมติใดที่จะเทียบได้เพราะ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 ก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเราดูนักโทษในเรือนจังที่ถูกกดขี่บังคับเสียความอิสระอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเก้าเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษจนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษเขาจะมีความสุขอย่างไรบ้าง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 อันแท้จริงที่ไหนมีความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจาำเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้ <c oughs> ได้แม้จะไม่เคยเป็นนักโทษเราก็ทราบได้ ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพ อ, อหมอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษนั้นอาหารทกิเลสนำมาเลี้ยงจิตใจของเราพอให้ทรงตัวไปพ้พาพูดตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษใ น, นเรือนจำเพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการการงานกับนักโทษผลของงานจากนักโทษนั่นหละ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 กินไปด้วยความจำเป็นจำใจเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆที่เขานำมาให้กินสาหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัตินังนติดรถ อันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติดติดรูปก็มีรถอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรสเครื่องสัมผัสต่างๆด้วนแล้วแต่มีรถอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันเทนั้นไม่ใช่จะมีแต่รถที่ว่าลิ้ ม, มรสอย่างเดียวทท้านั้น รสที่เกิดจากการสัมผัสทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีด้วยกันจิตใจมีความปิดมีความผูกพันรักชอบในสิ่งเหล่านี้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรถที่ทำความผูกมัดที่ทาเป็นเป็นที่เป็นเรื่องของกิเลส เป็นรสของกิเลสทั้งหมดเราไม่มันที่จะทราบโทษของรถเหล่านี้ได้เลยในจิตปัญญาพิจารณาพิจารณาขับกัดจะเป็นปิดและเปิดในรถโดยไม่เนื้อสุดสและหยาคบคายที่พูดทำหนํานี่ของผู้ฐานของนักโทษจากผู้ถูกคุมอยู่นะมนเป็นรสจริงแท้ พอจิตเริ่มสงบความสุขเป็นเริ่มเป็นขั้นสมาธิแต่คำว่าขั้นสมาธินี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเองโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้ น, น, นไปโดยลําดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียด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 เพราะรถนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรถทั้งหลายนั้นอยู่แล้วยิ่งกินได้พิจารณาแยกแยะโดยทงยางปัญญากระจายกันออกตามหลักรายลักษณ์หรือหลักทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตดและของบุคคลอื่นชาตอื่นไม่เว้น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 การไม่ปล่อยวางการยึดถือไว้เพราะเป็นโซ่เป็นครวนของกิเลสมันมัดไว้มันเศษขันตั้นยอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของน่าเกลียดเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกขังความเป็นบีบบังคับคือเป็นทุกเป็นอาณาตาไม่ให้ตนไม่ใช่ของเราของเขาของแขด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 เพราะมันมีอำนาจมากด้วยเหตุนี้จึงติดตามกลมายาของมันโลกของเร า, าเป็นโลกที่ติดอยู่ในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งหมดเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทางอสุภะดังที่กล่าวแล้วนี้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 มันมีตั้งแต่ของสกรปรกเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชั้นล้างอยู่ตลอดเวลาแม้เครื่องนุ่มห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องส ก, ร ป, กปรกทบรวมรงไปตามกันหมดเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบอ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายใน เมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งลาเป็นของสักปลกสโสกประากากันเช่นสบงจีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสักปลกที่นั้นแต่ไม่มองเห็นความจริงนี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิบัติค้นให้เห็นตามความจริงนี้ยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริง สิ่งเหล่านั้นปลอมมันปลอมมาหลอกว่าสวยว่า ง, งามเอาดูที่ในตัวของเรานี่เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามหากแข่งกับความจริงคือทำลองดูดยจะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นใดบ้างจะมากล้าแข่งว่าเหนือทำยิ่งยิ่งกว่าทำนอกจากว่ามันปลอมยิ่งกว่าทำเท่านั้นทำจึงไม่ปรากฏภายในจิตใจของเราเพราะความปลอมมัน เงียบหนาดมันมากมันหนาแน่นกว่าปิดบังไว้อย่างไม่จิดแม้เป็นของปฏิกูลทั่วสารพางร่างกายทั้งภายนอกภายในมันยังเชิดสันตั้นหยอกขึ้นมาว่าเป็นของ ส, สวยงดงามเป็นของดีลังถาวรไปได้นี่เราเห็นอย่างชัดชัดระหว่างความจริงกับความปลอมมันมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในจิตของเรานี่ยเป็นตัวตาหัิเพราะทิเลือแท้อยู่ขั้กจิต กระจายอำนาจออกมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังระบาดสากกระจายไปทั่วโลกสงสารนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดกายเป็นของสวยของงามหน้าก็ะหิ่มยิ้มย่องไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่เพลงกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้ยิ่งเต้นเป็นกระโดดหมุนติ้วยิ่งกว่าทุบบอลเป็นไหนๆแล้วหาความสุขที่ไหนจากการยิ่งเต้นเพ่นกระโดด กับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ตื่นตัวตื่นใจแล้วจะตื่นเวลาไหนถ้าทำของพระพุทธเจ้าปลูกสัตว์โลกเช่นเราเป็นนักปฏิบัตนินี้ตื่นไม่ได้แล้วใครจะตื่นได้ในโลกนี้นั่นแหละที่ว่าสวัขาโตพระกัตตาธโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคําว่าปิดบังเลยลนะับลี้ที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้ อ้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปที่เหงือที่ไข่เป็นของดีแล้วหรอือเป็นของสวยของงามของสะอาดหรอือถ้าเป็นของสะอาดจะเรียกขี้ยังไงนะแล้วดูเข้าไปจนกระทาั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี่มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งทั้งที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิกูลแล้วมีชิ้นไหนที่จะ ม, มาแข่ง ทำของพระพุทเจ้าได้ถ้าทําไม่เป็นของจริงทำมาพระพุทธเจ้าไม่สักไม่ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันตลอมจริงจิงเมื่อได้ยังเท่าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้ ง, งแต่เรายังไม่พิจารณาเป็นแต่เพีงงยงว่าเราถูกกิเลสมันปิดพาใจของเราไว้บงคั้งที่มองเห็นอยู่มันก็ไม่เห็นปฏิคูลเต็มตัเต็มเนื้อเต็มตัวมัน ก็มาลบล้างไปหมดไปเสียว่าเป็นของสวยของงามให้มันแตกกระจายไปนี้เป็นอย่างไงเพียงหมดลมหายใจฉะนั้นจะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัตว์ทุกส่วนนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าแต่มนุษย์ไม่ว่าจะสัตว์มันเหมือนเหมือนกันนี่วิธีฝุดค้นสิ่งปิดบงังเพื่อเห็นความจริงคือทำแท้ ถ้าเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเห็นธรรมแท้ไปโดยลำดับลำนานเพียงแต่ขั้นแห่งความสงบมันก็ไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเพราะเป็นโอชารส <c oughs> แห่งธรรมใจได้ดื่มธรรมคือความสงบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเป็นกระโดดไม่พุงเฟอ้เอเหอ่อเขิมไม่ดิ้นโดนกวัดแ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจ นี่เมื่อได้ใช้ปัญญาพิพจรารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะที่เป็นอาหารทางด้านปัญญานั่นยิ่งเป็นรสเป็นชาติที่ละเอียดแล้อ่อเข้าไปโดยลําดับพิจารณาแยกแยะดูสกุลก า, ายนี่แหละที่ว่ากรรมฐานหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านจึงสอนลงตรงนี้สอนไปอื่นไม่ได้สารโลกติดอยู่ติ ด, ต, ด, ต, ดตรงนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วจึงจะไปติดภายนอก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 เรื่องอุปทานความมิดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงต่างหาเมื่อความรู้ได้อย่างเราเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทีอนทีอุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาตุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอำนาจของสติอานาจของปัญญาพิจารณาขี้ใคร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 ถ้าจะแยกออกไปถ้ามันแตกกระ จ, ะจะายก็เห็นได้อย่างชัดเจนกองป่าช้าผีดิบตายลงไปก็เป็นกองป่าชา้าผีตายดูได้ที่ไหนเอาดูไปตัวโลกธาตุนี่ที่ไหนไม่มีป่าชา้ชาชัดบุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าช้าผีดิบผีตายอยู่ที่นั่นพิจารณาให้หลงผิดลงถึงความจริงสิปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้เหรอสําหรับเอามาใช้เพื่อหรือเพื่อถอน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 ไม่ใช่บีบพิเดนหัวใจเรานี่เลยเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาระทุรังทั้งหมดที่เราจะปลดเปลื้องจะมอบให้ใครมอบให้ทุกเหรอทุกก็มีอยู่กับหัวใจนี้แล้วนอกจากจะถอนทุกออกด้วยความเพียรทุกถึงไหนถึงกันทุกด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกที่บีบคั้นตัวของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้เป็นไหลายๆขุดลงไปหน้าปฏิบัติ นี่ขั้นขั้นของการพิจารณาป่าช้าท่านสอนให้ท่านดูป่าช้าก็คือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็เดิกวกย้อนเข้ามาสู่ปาช้าภายในของตอนมันมีไปหมดนอกจากร่างกายของเราเป็นป่าช้าพ่ดิบแล้วไอ้ทรัพยาลาสิ่งมันเต็มอยู่ในท้องของเรานี้มีอะไรบ้างมันตุกกันมานานตั้งเท่าไหร่ป่าช้าตรงนี้ทําไมไม่ดู เราเองมาเห็นชัดเจนความเป็นอุปัความเป็นิจังทุกขังอัตตากร้องอะไรนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย <c oughs> แย่ไปทางความแปรปรวนเปลี่ยนนิจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพในตละหเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามาันยังแปรของมันมีสุขมีทุกข์มี เ, ยเฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่อยางนั้นมีเวลาจุดย่างที่ไหน ถ้ามีสติปัญญาทําไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของเราต้องรู้ต้องเห็นทุกครังอาัยวะส่วนไหนทําให้มีความสุขความสบาย<ม><ม>อือนาตานั่นท่านประกาศไว้ชัดเจนแล้วอย่ายุ่งอนาตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเรานั่นแหละอย่าไปเอื้อมอย่าไปจับ อันนั้นเป็นพิษเป็นภัยยาต้อเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเอาเป็นของเรานั่นคือพิษคือภัยเมื่อว่าเราเป็นของเราเมื่อไหไรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นจริงทุกขังตาโดยแท้จิตจะไม่อาจไม่เอื้อนไม่ไปจับพม่ไปแตะไปต่องถ้าปล่อยวางภาระถุลังคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอนักนั้นออกมาได้โดยลําดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมา จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยลําดับก็มีความเบาขึ้นโดยลําดับสบายที่เ ด, ดิมลักโอชารถของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลําดับละอีเอียบยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกทีหนึ่ง เ, เมื่อรถแห่งธรรมเหนือรถของทิเดศประเภทนั้นๆไปโดยลํำดับก็ต้องเดียบย่ำกันไปเลยต่อยกันไปเรื่อยต่อยกันไปเรื่อยรู ป, ปรขันเป็นตั้มขันทําจิตให้กระ ทเท่กัเถือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องทาตดเรื่อเรื่องเรื่องรู ป, ปรขันนี้สำคัญมากกว่าเพื่อนถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่มีสถานที่บรรเทาไม่ไม่ไม่มีสถานที่หลบตัวซ่อนตัวให้มีความสุขบ้างเลยจิตใจเราจรึงต้องพยายามทำจิตให้สงบนำธรรมเข้ามาฟาดพันหั่นแหละกันลงไปยาเสียดา ย, ยาลาเวลา ยาเสียดายวัตตาสงสารยาเสียดายเรือนจําอย่าเสียดายตารางญาเสียดายผู้คุมขังผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวที่เลืแต่ละประเภทประเภทนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้กว่าสามถือเอาับปัจจุบั น, นเป็นตัวการพันธุ์แล้วกระจายไปหมดอดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมด หากว่าปลดเปลื่องกันมาได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าประสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูดเรื่องความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพียรของเราอย่าลดละพ่อยเหล่าจะเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียรที่จะดื้อถอนตนออกจากชิงบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสียชันก็าตามเสียชันก็าตามไม่ติด ไม่เป็นพาลไม่เป็นอุปทานเอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละท่าะโอชารสอันสูงสุดอยู่ตรงนั้นให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกันออกไปเดิมแบบทาถังเข้าไปตั้งแต่กองรูปนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งด้วยเป็นสิ่งที่มัอหอนนานน่ น, น, นหนึงก็คือกองรูปพอผ่านกองรูปทำลายกองรูปนี้ไปได้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 ความทุกข์ความยากความลําบากเพราะการประกับความเพียรนั้นมันลบล้างกันไปเพราะอํานาจแห่งรสแห่งธรรมที่เราได้ปรากฏคือเป็นผลปรากฏประจับใจเนื้อฝ่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นได้ไหนจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียงหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเจยดค้านเพราะความเจยดค้านเป็นเรื่องของจิเล็กต้านทานธรรมต่อสู้ธรรม น้อยจะประ ก, บ ก, กอบความเท่าเพียมความขี้เกียจขีดค้านความมันแอความท้อแท้เร็วไหลความทุกข์ความลําบากจึงปันดังกันเข้ามาบีบังคับให้เก้าวไปได้แล้วสุดท้ายก็ล้มตูมลงอืมสแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ําหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสือลงหมอนลับเข้าข้อแข็แขกงล้วนแน่เต็มๆถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายความเพียรไม่เป็นท่า ถ้าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะจมอยู่ในวัฏะสงสารจมในเดือนจําคือวัฏจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หามันเป็นอิสระไม่ได้เพราะจึงพลาดปั่นลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไใบนี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไม่ต้องสงสัยสําคัญอยู่ที่ความเพียรที่สติที่ปัญญาความอดความทนอดทนลงไป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 ตามหลักธรรมพุทธิยาที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลําดับลําดาต่อกันไปด้วยความเปลี่ยนขอ ง, ง, ของหลังนั่นแหละเหมืองตัวให้ลาดฟันทางะเรื่องกรรมฐานนี่ให้มากพอเป็นปากเป็นทางได้ น, นี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันสี่เวทนาสัญญาสัญญาพยัญชนะมันก็เป็นการทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มี มันเวลาพิจารณาร่างกายนี่ทำไมจะไม่ยึดประสานกันเพราะทำเดีวเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจึงต้องมาพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารอย่ายาไปคาดอย่างนั้นผิดในหลักปฏิบัติหลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทํางานจ่อลงจุดใดแล้วมันจะกระเทือนกันหมดแต่เวลามันเด่นมันไปเด่นตอนที่ร่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากทํา ถ้าก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทําความจริงเข้าไปทําลายความจำเปอมของวิเลสกัญหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทําเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วถิ่นเด่ น, เ ด, นเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสังขารมียา น, นี่จะเบนก็บได้เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้วเวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนา นเวทนาส่วนนั่งกาก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วแยกดูในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่นั่งนานๆมันก็รู้เราอยากรู้เราเอาวันนี้ก็รู้เรื่องทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาจะต้องเห็นกันทัดเจียถ้าใช้ปัญญาอย่าอดทนเฉยๆการต่อสู้กับทุกข์ต้องต่อสู้ด้วยปัญญาต่อสู้เฉยๆอดทนเฉยๆไม่จักว่าเป็นมากมากคือสติปัญญา ทุกมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาท่านออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงพานานั้นเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนภานจิตเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเมตนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเองมีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมาย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 หลายครั้งหลายฝก็สามารถถอดถอนอุปทานความยึมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ได้และเวทนาทางกายมันก็ไปได้ด้วยกันแต่ เ, เหลือแต่เวทนาทางจิตสัญญาสังขารเป็นสําคัญเวลาผ่านจากกายเลยกายนี้ไปแล้วรูปปขันนี้ไปแล้วมันจะเด่นในเรื่องสัญญาสังขารความคิดความตุงเพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ยอมพิจารณาเหมือนเราเรารับทาน นี่อิ่มแล้วอาหารประเภทนี้อิ่มแล้วอีกแล้วก็ปล่อยอันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธ์ยังดูดดื่มก็นับทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยเรืยไปจนกระทั่งอิ่มโดยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดหม่ว่าอาหารหวานคาวประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันทางบอกอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อเมื่อใจได้พอกับสิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาในสิ่งนั้นแล้วพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับประอาหารประเภทนี้แล้ว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 ยุ่งไปหมดพานาจิตใจหลงเพลินอยู่ในนั้นโศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้นทานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็นำมาอุ่นนำมาปรุงมาแต่งให้ควนใจบีบบังคับใจอยู่นั่นแหละเพราะความหลงมันไม่ทันกับปณมายาของจิตเดชประเภทนี้จึงต้องพิจารณามันตรงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรดีมันก็ดับชั่วมันก็ดับเอาสาระอะไรจากสิ่งเหล่า น, นี้มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนค้นลงไปนั่น สัญญามันหมายมันก็หมายออกมาจากจิตนี่เมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนั้นหากเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเอนเป็นเช่นนั้นใครไม่บอกมันก็เข้าใจข้างมันไปเอสัมผัสัมพันที่ไหนมันจะหมุนติ้วที่อีกตรงนั้นจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยปล่อยนี่เมื่อปัญญาได้ตัดสะสะพานทางรูปรขันธ์ก็เท่ากับ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 สุเกิดขึ้นมาก็าดับทุกเกิดขึ้นมาก็าดับภา น, านจิตนั้นท่านจะเรียกว่าอาันนิจจานิจจารืออนัตตาลัตตามันเป็นจริงเกิดดับนะสัญญากับ อ, อนัตอันิจจังทุกขลัตตาเหมือนกันสั้งขารนาิจจังทุกขลัตตาวิญญาณนิจจังทุกขลัตตาเหมือนกันลนัทธิทิฏอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรู ป, ปขันธ์นี่ปพิญญาหลายครั้งลหลายหนมันก็ยิ่งตะล่ําเข้าไปเข้าสู่จุดพื้จิต นี่แหละการไล่กิเลสตีต้อนกิเลสตีเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคลี่คลายผุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิตเนี่ยั้นจิตก็หมุนที่เข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองง่ายง่ายเห็นไหมท่าน ม, ม, มโนโท่านก็ไม่ห้หยุดนะฟังสิมโนโก็เป็นอนิจจังทุกขังตานั่นทังที่มโน ไม่เป็นได้ยังไงก็กิเลสอยู่ในนั้นเราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงเพราะเมื่อกิเลสทั้งกองทับมันอยู่ภายใน จ, ใจิตใจถ้าเราไปถือกิเจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือกิเลสเป็นเราเป็นของเราอย่างนั้นแล้วผลวไปได้ยังไงอะนี่อะซึ่งมากธรรมะข้อ น, นี้ทั้งนี่ในขั้นพิจารณาจิต ก, ก็เป็นอันนี้อจารย์ตุกขันตานช่วยกัน เพราะที่เลห์มีอยู่ภายในนั้นอ้าฟาดลงไปด้วยการพิจารณาอะไรจะแหลกแตกกระจายแม้ที่สุดจิตจะคิดหายไปกับสิ่งทั้งหลายก็ให้เห็นพระจักด้วยปัญญาของเราเถะิะนั่นแหละตอนที่กิเลห์ที่เป็นยอดวัฏจกักรพี่เป็นอวิชชาท่านว่าอาวิชชาปยาสังขารนั่นแหละเชื้อแห่งโพแห่งชาติมันตังอยู่ภายในจิตดวงนี้เมื่อถูกตัดสระพาณิ้งหมดไม่มีที่หากินออกทางตา ก, ก็ถูกตัดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกตัดหมดด้วยปัญญา ที่เหลือทางออกไม่ได้แต่ประลักรูกรประเขียนนักกิ่นลดเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดจะพานหมดแล้วรูเท่าตามไปจริงไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายในยเดี๋ยวมาติดถึงรู ป, ประคันนี่เนี่ยก็พิจารณาแล้ด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วในธนาสัญญาสังขารนินยานก็พิจารณาไล่สร่างเข้าไปโดยความเป็นประหลักอ น, นจังตุขังตาไปหมดแล้วมันอยู่จุดไหนทิ่เหลมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงใหญ่คือจิตน่ะ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 จะว่าอ น, นิจจังทุกขังตะตาหรือไม่มว่าก็ตามเสิดขอให้จิตบริสุทธิ์เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมติไปแล้วอ น, นิจจังทุกขังตะตานี่อยู่ในวงสมมติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปแล้วหมดคาที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้ๆทั้งๆ ท, ที่รู้ๆอยู่นั่นแหละสงสัยอะไรที่มีนั่นหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัตกรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสําคัญมีใจเราเป็นสาคัญ หรือถอนออกที่ตรงนี้ปลดเรื่องออกที่ตรงนี้เมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเท่านั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอีกเลยท่านจะเรียกว่าอาการรกจิบอาการิกาการีกระทหาการหาเวลาไม่ได้คือไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงอยู่เช่นนั้นนะ ทีนี้เราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนได้อย่างไรเมื่อขึ้นได้ขึ้นเหยียบหัวกิเลสแท่งแหลกแตกกระจายไปหมดแล้วทําไมจะไม่เห็นโทษของมันอย่างเต็มใหญ่แล้วความสุขที่กิเลสเอามาป้อนเราเวลาเราจะตายมันเอามาเยียวยาลราบ้างพอประทังประทังชีวิตทําไมจะไม่รู้นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเฉดสันต์ตัญนยอหรือมันมาเยีวยาเราพอประทังชีวิตมันเป็นอย่างนี้โทษของกิเลส รสของธรรมเป็นอย่างนี้ทําไมจะไม่รู้นั่นแหละเมื่อสรุปความลงแนวจิตที่อยู่ในอํานาจของวัตจักรคือกิเลสเป็นเครื่องบีบบังคับแล้วจิงไม่ผิดอะไรกับที่เขานักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อได้พ้นจากความสิ่งคุมขังคือกิเลสนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้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 พอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารถแห่งธรรมชำั mn ะซึ่งรถทั้งดวงรถที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรถชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดตอยทั้งหมดเพราะไม่มีรถอะไรเสมอนี้แม้รถอันนี้ก็ไม่ติดรถที่ว่าประเสริฐนี้ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้น เอาเอาให้จริง น, นะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพีชีพต่พระพุทธเจ้าเถอะการพีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพีก็ตามเราเคยพรีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เป็นไปอยู่ระนี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัญญาตั้งขาลารที่มันฝังอยู่ภายจิตใจนี่แหละ ปเป็นต่อภพต่อชาตเพราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าศูนย์มันสูญไปไหนเอ า, า, ภ, าภาพปฏิบัติเข้าประจับปิดยาพูดตามคนมายาของกิเลสปิดหูปิดตาสิกิเลสมันบอกคว่าบ้าตายแล้วสู์นั่นมันปิดแล้วแตกิเลสมันศูญไปไหนมันพาสัตว์โลกให้จมในวัฏสงสารนี้มันศูญไปไหนกิเลสแล้วกิเลสบงังคับอะไรท่านบางังคับจิต จิตมันสูญเมื่อมันสูญไปแล้วกิเลสบังคับได้อย่างไงมันไม่สูญนะที่มันถึงบอกมันถึงบังคับให้เกิดเกิดตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่สอยทาไมเราจะไปหลงคนมายังกิเลสว่าตายแล้วสูนอืมพิจารณามันถึงความจริงที่อะไรสูนย์ไม่สูญใครมันรู้นี่จึงเรียกว่านักธรรมะนักค้นคว้าพิจารณาถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าที่พระทรงประกาศสอนธรรมท่านประกาศสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้ว ทั้งเหตุก็สมบูรณ์เต็มที่จึงได้ผลเป็นที่ผึนพอพระไถ่แล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไม่ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญนั้นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดเจริญตายเกิยแก่ตายอยู่มันสอนมาทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้สูญได้อย่างไรการเกิด การตายการเกิดการตายเกิดตายไม่อยู่ไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็ บ, บอกได้ว่าอาวิชชาปัญญาสั้งขาราสรราปัญญาเป็นต้นนี่นี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในใจิตพาให้เกิดอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยพอทำงานวิชาปัญญาสร้างคาราไปแล้วเป็นยังไงอวิชชาจะเวะวัชเซสวิาดาไนโรธาสร้างคารายอยู่ตรนั้พอวิชชาดับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรนั้นดับไปหมดนิโรโทโหติเอะนี่นว่าไง หรือว่าหรือว่าเอลเมตเออเมตสัเออเตสตะเจวรัสตะดูกคะข้าสตะนีโ่ราโตรงหติดในวิชาพอวิชาดับจึงนั้นทุกสิ่งทุอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าวิชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั่นดับสูญไปได้อย่างไรนั่นทินนักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมาค้านก็ไม่หวั่นถ้าเราไม่เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้นานได้ไงเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสนาของโลกได้ทั้งสามโลกกระฐานนี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนเ อ, อะไรมาสอนสอนด้วยความอาถารไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาไหน่เพราะนําความจริงมาสอนโลกไมไ่เอาความปลอมล้นเดามาสอนนีอืมการพูดประมาณนี้เป็นอเป็นวิชาของอวิชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้โลกจมไปตั้งหลักธรรมจะใช้ไม่ได้สอนอย่างนั้นทั้งเรียก ว, ว่า สิ่งนั้นเป็นของปลอมทําเป็นของจริงกิเลสมันตรอมทั้งเพร้ร้อยทั้งร้อยตอบทําจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดนี่จึงเดินสวนทางกันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต้องเป็นข้าศึกกันการปฏิบัติต่อความภาคเพียรไม่ลบกับกิเลสจะลบกับอะไรนี่คือข้าศึกไม่ลบกับอันนี้จะลบกับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ลบกับกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อเราข้าศึกทำนี้จะลบที่ไหนลบอะไรกันเมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัยทําไปทำไม แต่เพราะอย่างยิ่งจิตสงสัยอะไรตาเกิดตายสูญสูญที่ไหนให้มันรู้นี่ที่นักปฏิบัติเอาจริงจริงมันจังเลยทำรุ่มุ่มดอนดอนเห็นแก่หลับแ ก, บแกนอนเห็นแก่ปากแก่แกแกท้องสินุนี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วแป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาให้เป็นเรื่องของทำขึ้นมาต่สมชื่อสมนา ม, มาเราเป็นลูกศิษยรนาคนได้พรีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนา แล้วนาดําเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้อมาหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจเราทคนี้เมื่อทําคลองใจกับกิเลสครองใจนัต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทําครองใจคือประเสริฐเลิศนะต่อวปนี้ให้ทํานปัญญาอธิบายให้เพื่อนังนี่เราพร้อมแล้วนี่ถึงพระพุทธเจ้าจะประเดิพันธ์ ไปนานเท่าไรก็ตามสวัสดคธรรมนั่นแหละคือองค์สัสดาดังที่ทรพรองค์จับกับป้าอ น, นุนั่นไหว้ซึ้งเหลือเกินนะถ้าทำแล้ววินัยนี่แหละที่เราบันหยัดไว้แล้วที่แสดงไว้แล้วนี่แหละอ น, นุนจะเป็นครูเป็นอนาจารย์ทั้งเถิดทั้งหลายเป็นศัสดาแทนเราในการที่เราร่วมไปร่วงไปแล้วก็หมายถึงผ้าใส่ละพระ อ, องค์ก็ล่วมไปเป็นธรรมดาของอนิจนจังกฎแหิังอนิจจังทุกขังนาาั่ตา คนทําของจริงนี้ตลอดไม่ไม่เป็นศาสดาไปตลอดผู้เคารพทำจริงวินัยจริงเคารพศาสดาแล้วเดินตามนี้จะไม่ไปไหนจะไปตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าทรงประชนันอยู่ไม่ผิดอะไรกันเลยจงซ้อคัดประทําสวคัดทำเราไม่ชอบแล้วชอแล้วขอให้เดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะจะกการเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีตรงก็อยู่ที่นั่น สุปฏิปนโงก็อยู่ที่นั่นอุชูก็อยู่ที่นั่นยายอยู่ที่นั่นสามิกิจอยู่ที่นั่นสุดท้าก็ได้สาวกโตสาวกสังโฆเมื่อบรรลุถึงความบุดพ้นแล้วกันนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นผู้ทรงหลักความจริงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะเพื่อผู้เป็นหลักของตัวแล้ว ของโลกไปได้คือทรงความจริงไว้ไม่หวังถ้ามีความจริงมีภายณาใจแล้วไม่หวังการพุทธปฏิบัติทุกทุกอย่างสม่สมสมสมสมําเสมอไม่เป็นรุ่งรุ่งดันดอนสําคัญนี้ทจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนเ น, น, น้นลงที่จิตให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์ในการพุทธปฏิบัติทางด้านจิตใจการพุทธปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติคือกับบทวิเนียอะไรจะเป็นไปตามหลักจิตจิตได้น้อมลงสู่ธรรมแล้ว การดําเนินทําไมย่อยเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นี่ไหนต้องเป็นแต่เพียงแต่ความจําไม่เฉยมันไม่ได้เรื่องนาผมไม่ได้ประมาททำของพระเจ้าเรียนก็เรียนเพื่อความจํานะมีแต่ความจําไม่เฉยความจำมาไหนมาแก้กิเลสได้มีหรื อ, อจําไม่หมดพระกายพิดกก็กิเลสก็เต็มตัวนั้นไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอจะหนังถลอกบ้างผิวมันถลอกบ้างนอกจากจะเพิ่มกิเลสให้หนังหนาขึ้นมาเท่านั้น ด้วความสาคัญว่าเราเรียนมากรู้มากไปไหนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้มันหนักความรู้ความฉลาดของตนที่เรียนมามากความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัวความําคัญนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละกิเลสมันแ่กอย่างนั้นให้ดูน่อาอ้าวภาคปฏิบัติฟาลงไปเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่กระจายไปภ า, ายในจิตใจของเราที่มันเคยแบกเคยขำความรู้ความฉลาดอ่านเป็นตัวกิเลสสาคัญนั้นยางประจับไม่สงสัย ความจําความจริงต่างกันความจริงเนี่ลงได้เข้าถึงไหนที่เหลียดหลุดลอยไปถึงนั่นความจําจําไปถึงไหนที่เหลียดมันพองขนขึ้นถึงนั่นเนี่ยนี่เป็นความจริงพูดตามความจริงเขาก็เรียนมาเคยเรียนมานี่ถ้าว่าไม่ได้เรียนเลยก็ใครๆก็จะว่าเรานี้ประมาทเราแค่เป็นเรียนมาคัมภีรได้ความรุน่นความติดนี่มันหมายออกไปแล้วนะอืออ๋อเรานี้ มีความรู้มากนล้วได้ถึงนักทำตรีล่ะพระราชาโทแล้วลขายายไปอีกแล้วโอ้แหมเรามีความรู้มากถึงนําชั้นโทนะก็เป็นนักทำเอกขึ้นเป็นมหาป ร, รียาโอ้โหยิ่งจะก้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้ตายอะไรมันหนักที่เหลสกันหาที่ผีมานั่นว่าตัวรู้ตัวฉลาดนั้นนหะตัวโง่ที่สุดเรียนเพื่อฉลาดมันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อจะให้หลักข้อปฏิบัติแล้วจะได้เดินตามนั้นๆั่นเนี่ยเรียนเพื่อข้อืาการเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาต้องขันวันหมายเอาสมบัติของผู้ริเจ้าที่เรียนมาจําได้นั้นมาเป็นสมบัติของตนความจําเป็นสมบัติได้อย่างไงความจริงตัาหากเป็นสมบัตินะเมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทฟังซิทำทั้งสามอย่างนี้เป็นทำเกี่ยงเรื่องกันแยกกันไม่ออกถ้ามุง่งผู้มุ่งผลตามหักความจริงที่ทรงสอนมาแล้วต้องดาเนินตามทำ ท, ทั้งสามประเภทนี้พิา ย, ย่าเทียนรู้เนี่ยอ้าปฏิบัติท่านสอนว่ายังไง เนเจษาลูมานะั่านตาตโยโท่านสอนเป็นเรื่องเล็ก น, น้อยเหลือหนิครอบโลกาธาตุแล้วนี่ที่พูดทีน่นี่อะไรร่างกายเป็นเจสาดูที่ร่มาแล้วผลผมขลเล็บฝันหนังแน่คนเรามันดูกันได้เพียงหนังเท่านั้นหรอผิวบางๆหลอกตาคนโง่หลงมันจะเป็นทั่วดินแดน มันเพิ่งสอนมาถึนั้นพระจ่ารเรียนโตนี้หนังหุ้มอยู่เท่านั้นนะมันพอดูได้ที่เลศมันละเอียดแหลมคมมากมันฉลาดมากมันเอาหนังบางๆมาหลอกสัตว์หุ้มไว้ในร่างหนึ่งๆแล้วก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายของถวยของงามพุ้งเฟ้อเหิมดิ้นรนบนมันแข็ยิ่มปว่สุนัขหน้าเดินด ก, ก้าวบังสิทอื์เสียงเห่าเสียงหอนเดือกเถิดเพราะอำนาจแห่งตันาคาตันหามันกำเริบ ม, มันดิ้นรนนำหนังหอกกระดูกนี่ มันดิ้นบนอะไรพิจารณาใ้มันเห็นตามความจริงแล้วมันจะไปดิ้นอะไรไเห็นชัดๆอยู่แล้วตาก็เห็นอยู่นี่ชาล่างอยู่ทุกวันชาล่างของสะกปรกนั่นเองสะอาดแล้วระชาล่างกันทําใหม่น่ะเห็นอยู่นี่นี่ท่านจึงสอนมาถึงนี่แล้วท่านหยุดเพราะเวลามีน้อยมันยังไม่ไดสอนได้มากท่นี้ผู้พิจารณาที่พิจารณากระจายไปที่นี่ อาการเนื้อสอบสายอยู่สองผมผลในผนหังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อใ น, นกระดูกม้ามองขวัญใจตัดผ่าตัดใส่ปอดเสียใจน้อยหันมาหางเก่าหนะหมดแล้วทีนี้ภายในร่างกายตีกระจายไปทำแหลกด้วยปัญญ า, าไปเลยมันจะหลงไปไหนหืมกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ตามเหล่านี้มันเสร็จมันสันบ้นย่อย ต, ตามนี้ฟาดมันลงไปให้มันแหลกตามหลัคกความจริงด้วยสติปัญญามันจะไปไหนกิเลสมันจะหาที่หลบซ่อนมาที่ไหนนั่นที่พูดแล้ว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 เราลูบมาเท้สายหามานัการทันต์ตจโจเป็นต้นนี่เรารู้แล้วในภาพปริญาณท่านสอนกรรมฐานที่แรกนั่นแหละคือปริยัติเราได้เรียนแล้วจากครูจากอุปชาาจารย์ทั้งเราแต่นั้นก็เป็นภาพปฏิบัติอเอาไปขี่คลากระจายดูท่านัเห็นตามหลักความจริงนี้นั่นคือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นตามความจริงมากน้อยถอดถอน ต, อ น, ตอนออกมาถอดถอน ต, อ น, ตอนออกมาที่เลยกถ้วยหลุดรอยไปหลุดลอยไปเห็นสำว่าปฏิยธะปฏิยธะคือความรู้แจ้งแทงตลอดแทงทะลุไปเรื่อยเรือจนแทงทะลุไปหมดปโปร่งไม่มีอะไรเหลืลอเ ล, ลอย พ้นจากโลกคนที่ไหนทหําไมพ้นที่ใจซึ่งถูกบีบังคับอย่างนี้จะไปพ้นกันที่ไหนอืมใครจะมีจ ร, รวดดาวเทียมไหมขับขี่ให้ขึ้นไปพ้นโรคพ้นโลกอะไรโลกนั้น ม, มันไปตายอยู่บนอวกาศมันยังมีมันไปพ้นที่ไหนมันถึงไปตายแต่มันพ้นที่จิตนี่สิความเกิดความตายจิตนี่เป็นตัวสําคัญอืมที่ถูกยาผิดของของกิเลสมันแทรกเข้าไปให้หมุมนติวนต้วติว้ทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนพบนั่นพบนี้พบน้อ ย, พ บ, อยพบใหญ่พบไหนมันกองอยู่กับเราหมด กับใจตรงนี้หมดสงสัยที่ตรงไหนนั่งปฏิบัติอาจริงดิถ้ามันลงได้รู้ดีแล้วไม่ต้องบอกแล้วฮะก็เหมือนหนึักโทษพร้อมต่อกจากเรือนจําพราะไม่ต้องถามมาบ้านน้องข้าอยู่ไหนว่าข้าติดตารางหลายปีแล้วข้าจําบ้านไม่ได้ไม่ต้องบอกแล้วมันเพ่นทีเดียวอยากมีสักห้าขาหนึ่มสิบขานึ่งมันจะได้ไปพร้อมๆกันเลยข้อความอยากกลับบ้านกลับเรือนกลับไปสู่ความเป็นอิสระ อะไรจะมากนี่ผมว่าใจที่มันพองตัวเวลาพ้นจากโทษว่าอันนี้ก็เหมือนกันเมือมันหลุดร อ, อกจากที่เหลือแล้วไม่ต้องถามหาลรนิพานถามหาอะไร <c oughs> ถ้ามันรู้นิพานไม่ต้องถามหาไม่รู้นิพานเระถึงถามกันนิพานคืออะไรขอ ท, ทําเจริาให้ทำ ใ, ใ, ให้บริสุท ธ, ธิ์เถอะมันจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นจิตวิสมมุติจะไม่มีใครไปเกี่ยวข้องขัดแย้งกันได้เลยเนี่ยธรรมะพระเจ้าสดสดร้อนๆอย่า ง, างนี้เนี่ย มรรคผลนิพพานทำไมจะไม่สดสดร้อนๆอนอยู่กับผู้ปฏิบัติหรเราไปถามแบบว่าหาอะไรหลงหลงแรงแรงตะคุ้มเงาตะคุ้มไปทำไมเอาตัวมันที่จะจับตัวได้แล้วก็จับเงาได้เท่ากันนั่นแหละเพราะเงามันออกไปจับตัวจับตัวแล้วทำไมจะจับเงามไม่ถูกแล้วจะคุ้มเงาเราวิ่งงามันก็วิ่งมันทันเมื่อไหร่ความสัมพันธ์หมายมันลอกเราไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะมากัดขวารมรรคผลนิพพานไม่มีมีสัจธรรมสองประการเท่านั้นทุกขกับสมุทัย เป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่ให้กล้าเขาสู่พระผลนิพพานได้แล้วอะไรจะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังห่วงหัวทั้งสองประเภทนี้ก็ามารกษัตริย์นิโรธศัตร์ว่าอย่างไรนั่นมีเท่านี้เครื่องบุกเบิกที่จะให้ถึงพระผลนิพพานก็มีมารกษัตริย์ตั้งแต่ข้อปฏิบัติชินสมาธิปัญญาหรือสมาธิสีสมาธิโพจิกระทั่งสมาธิเป็นที่สุดนี่เครื่องมือบุกเบิกที่จะให้เข้าสู่พระผลนิพพานเอาให้เสียโล่งที่เด็ดไม่มีเหลือพ่อมัชฌิมานี่แหละมันพ่อสถานที่พ่อการที่ไหน พรบคุคคลผู้ใดมีอำนาจมากิจกันบังคับจิตใจของเราไม่ให้พ้นจากที่เด็ดไปได้มันไม่มีผู้ใดนอกจากเราเองถูกที่เด็ดกล่อหม อ, อสนั่นเองมันถึงไปไม่รอดหลับคับเข้าไปด้วยความประมาานอนจัดคือเป็นเรื่องที่เด็ดทั้งหมดนะและะ้วมาผลนิพพานจะไปล้าสมัยที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นคนล้าสมัยใช่เองถ้าจะให้ทันสมัยก็เอาให้สิเอาตามหลักธรรมพระเจ้าก็ไปสอนพูดทำของพระเจ้านี่ล้าสมัยที่ตรงไหน มัชฌิมามัชฌิมาฟังสิพอเหมาะพอดีก็เวลาอะไรจะเหมาะยิ่งกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะเหมาะกับการปรากิเลศทุกประเภททิเลศประเภทไหนผ่าผลออกมาอยากทังทลายนั่นกิเลศประเภทนี้มันเก่งนี่ออกมามัชฌิมาปฏิวัติเครื่องมือชนิดฟาดเข้าไปให้แหละเอากิเลศประเภทไหนออกมาเก่งออกมาสามารถแล้วออกมาเมัชฌิมานี่เป็นไม่ถอย ถ้าเราได้ยึดหลมัชฌิมาให้ดีแล้วขี้เล็กต้องพังทลายพังทลายเป็นระดับดาบดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายพังทลายด้วยมัชฌิมาในขั้นละเอเช่นเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้มาผลนิพพานท่านเหรอยาสงสยัยสงสัยไปทำไมาย่าถูกหลอกไปเรื่อยๆเชื่อที่เล็กเชื่อมานานแล้วให้เชื่อทำทำําท่านว่าอย่างนี้มัชฌิมาปฏิปทานนั่นแหละเครื่องบูเบิร์นนี่โรคนี่โรคคือความดับทุกข์นั่นเป็นผลของมัชฌิมาต่างหากมัชฌิมาทํา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 อาการความคิดความตึงของจิตมันคิดมันตึงในเนี้ยต่างๆล้วนแต่เป็นกิเลสมันถ้าสติไม่ทันมันยิ่งสติทันมันแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสโน่นเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาปัญญานั้นนะมันจะได้รู้ชัดเรื่องของเรื่องความเคลื่อนไหวของกิเลสมันเร็วขนาดไหนเนี่ยก็สุดท้ายมันก็สู้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาไปไม่ได้พอกิเลสเคลื่อนพับสติปัญญาตื่นแล้วปัญญาตามต้นแล้วนานตามต้นแล้วตามต้นแล้วกิเลสต้องหมอก ความหมองของกิเลสไม่ใช่กิเลสกลัวทำนะความฉลัดของกิเลสต่างหากมันหมอง น, นั่นค้นคว้าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันขึ้นมาเอาจนแหลกแตกกระจายแล้วกิเลสหมดหลูกเจ้าหลานเหรนดับเชื้อไม่มีเหลือภายใจิตใจแล้วนิจขาโตปรินิพุโตทันวัหมดความหิวดับสนิทไม่มีอะไรสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจ นั่นดับส น, นิดคือกิเลสดับสนิทมันมีอะไรที่โลกสามโลกก็เหมือนไม่มีนั่นเองมันมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องรบวนกวรใจบีบคั้นจิตใจเมื่อกิเลสออกไปแล้วไม่มีอะไรมาบีบบังคับนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นมาบีบบังคับอะไรภูเขาทั้งลูกเขาไม่มาบีบบังคับนี่นะกิเลสต่างหาบีบบังคับหัวใจฟาที่เลสทั้งมันแหลกตรงนี้แล้วอะไรจะมาบีบบังคับ เอาให้เห็นที่นปฏิบัติามาเห็นกับตัวเนี่ยอย่าไปให้เห็นกับผู้ใดว่าดียิ่งกว่าเห็นกับตัวของเราด้วยการปฏิบัติของเร า, เามันจริงนี่พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนเอาให้เต็มเหนียวผมไม่ได้สงสารผมไม่ได้ห่วงใยอะไรยิ่งกว่าห่วงหมู่ห่วงเพื่อนนะ เ, เห็นใจหมู่เพื่อนนี่เอาจริงๆในจิตของเรามันมันปฏิพัตทธ์มันรักมันสงวน ตามันก็แหลมไม่ใช่อ้วนนะพูดตามเจตนาตามความรู้สึกลูกศิษย์พาให้ตาแหลมหูมันก็แหลมเหมตามอืมอะไรๆว่าแล้วดุแลว้วว่าแล้วเ<แ>พราะอันั้นมันผิดนี่จะเปิดโอกาสให้กิเลสมันเหยียบย่ําทํำลายลูกศิษย์ของเราได้ยังไงฮ แ, แล้วเป็นอา จ, จารย์บอกแล้วที่นั่นหลังมาเขาบอกตอบออกตีออกอไปป้องให้ดีสิอย่าเปิดตรงนั้นฮ นั once, okay. so cat, place, on, ่นเขาจะต่อตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นย่าเปิดตรงนั้นนั่นเหมือนนักมวยเขาฝึกซ้อมมวยกันครูกับลูกศิษย์ฝึกซ้อมกันจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามเตะเอาอุมพอเตะก็เตะพอสอก็สอกเข้าไปพอหมัดก็หมัดเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นครูมวยตีครูมวยต่อยครูมวยเตะมันไม่ได้เก็บเท่าคู่ต่อสู้ตบด้วยต่อยูวรจะสู้นี้ไม่ดีตายครูต้องตีบอกตีสอนเตะบอกเตะสอน แต่ถึงอยงนั้นยังต้องเตือนต้องบอกฝึกซ่อมเป็นไปฝึกซ่อมไปอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกแล้วนะฝึกซ่อมไปว่าวอย่าเปิดตรงนั้ น, น, น, น, น, น, น, นเนี่ยแล้วฝูกซ่อมาปพอครั้รงที่สามาเติมเขไปอย่าเปิดตรงนั้นนั่นอันนี้มันก็ทํานองนั้นแหละดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุคนนั้นดุตรงนี้มันก็เหมือนอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นว่าไงถ้ามองดูตามแบบโ ล, โลกแล้วมันก็เป็ น, น, นลักษณะนั้นหนิจะว่างไงพอไว้ที่ปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลส เห็นต่กิเล็มันเหยียบหัวเ ต, ตะนวลเตะนี่ทั้งศอกทั้งเขา่าเรากิ้งไปกิ้งมายังเคินกลับครอบครอบไปได้ถูกกิเลสเตะได้ไขนาดนั้นมันก็นหน้าโมโหจีอย่าเปิดทรงนั้นจะเปิดงนั้นอยตรงว่าเลยไมตงนั้นเป็นงั้นทําไมตรงนี้เป็นนี้เนี่ยเหมือนนี่ว่าอยาเปิดตรงนั้นอย่าปิดตรงนั้นเลย น, น, น, น, นะ น, นั่นแหะให้สติปัญญาให้ทําเหนือกิเลสแล้วมันจะอยู่ในหัวใจดวงใด มันจะแสดงมาในท่าทางอาการใดจะมันไม่พ้นจากสติปัญญาที่เหนือมันไปได้เห็นหมดรู้หมดทั้งทั้งที่พูดนั้นไม่รู้น ะ, ะว่าไงถ้าลงได้เหนือแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้มันเคยอยู่ในหใัวใจเรามาตั้งนานเท่าไหร่แล้วแล้วเคยต่อสู้กับมันด้วยยังไงแล้วอ่สมมติว่ามันพินาศที่หมายไปเขามันพินาศที่หมายไปจากหัวใจนี้แล้วทำไมมันอยู่หัวใจอื่นทำไมจะไม่รู้ มันเป็นเพลงเดียวกันวิชาเดียวกันที่มันไปนเที่ยมสอนสัตว์โลกเที่ยมสอนไข่ก็ตามทําไมจะไม่รู้ควรมายาของมารไงอู้หเหนื่อยแเนี้ยโอ้ยเหมือนคํากิเล่ฟังเสียงเกี่ยเปียงเอาละพอวันนี้เห็นื่อยแล้ว